ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังธรรมะเรื่องพระอิสิธาสีเทรีตอนที่สองโดยสมณะซาบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่8ธันวาคม2542ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นบะบัด น, นี้ค่ะ เรามาต่อพระอิศิษาสีเถรีกันหน่อยหนึ่งนะเมื่อวานนี้เราไปจนถึงว่าระลึกชาติจนมาเป็นชาติของนางอิศิษาสีละเราก็ต้องไปอยู่เป็นเหมือนกับท่านรับท่านรับใช้เขาเอ๊ะไม่ใช่สิอันนี้เป็นลูกเศรษฐีนะชาตินี้เป็นลูกเศรษฐีแต่งงานเป็นคนดีทุกอย่างมีศีล นะปณิบัติสามีพ่อแม่สามีอย่างดีเยี่ยมทุกอย่างเลยแต่บางกฏว่าสามีก็ไม่รักไม่ชอบนะแล้วก็ไม่อยู่ด้วยละแล้วก็เลยไปสามีก็เลยไปบอกกับพ่อกับแม่ว่าไม่เอาแล้วถ้าพูดง่ายถ้านางอีสีชาศรีอยู่ว่าตัวเองก็จะไปละจะไม่อยู่ร่วมเรือนเดียวกันพ่อแม่ก็อยากให้ลูกชายอยู่เพรา ะ, ะนั้นก็เลยต้องส่ง นางอิสีทาสีกับเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นไม้สาวแสนสวยสามีร้างนะตั้งแต่วันนั้ น, น, นเมื่อวานนี้จบตรงนี้ต่อมาไม่นานนักบิดาของดิฉันได้ยกดิฉันให้แต่งงานกับชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งตระกูลของเขามีทรัพย์สมบัติเพียงครึ่งหนึ่งของสามีเก่าของดิฉันเท่านั้นปรากฏว่าปกติ นะโดยทั่วทวไปเนี่ยพ่อแม่กลัวถ้ามีลูกผู้หญิงเนี่ยนะกลัวไม่มีครอบครัวแล้วเดี๋ยวจะไม่มีคนปกป้องดูแลหรือว่าลูกจะไม่มีที่พึ่งเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะพยายามให้ลูกเนี่ยมีเย้ามีเรือนไปซะที น, นี้พอเลิกจากสามีคนแรกมาแล้วใช่ไหมก็เลยมาหาสามีใหม่ให้อีกเพราะสมัยก่อนเนี่ยะจะไปหากันเองเนี่ยไม่ค่อยมีอรอก ส่วนใหญ่จะเป็นพ่อแม่นะหาให้หรือว่าจัดการให้วันขาวนี้พ่อก็ไปหาสามีใหม่มาให้อีกให้กับลูกสาวนะก็ปรากฏว่าเอาแต่งงานเสร็จนะที่เรือนของสามีคนที่สองนี้ดิฉันยังคงประพฤติตัวมีมีศีลบำรุงบำเนอเขาดั่งตัวเองเป็นนางทาสผู้คอยรับใช้แต่อยู่ได้แค่เดือนเดียว เขาก็ขับไล่ดิฉันให้กลับไปอยู่บ้านบิดาเช่นกันนี่ก็คือผลของบาปกรรมที่ตามมาจัดการกับชีวิตของดิฉันอ้าวนี่เป็นผัวที่สองแล้วนะปรากฏว่าผัวที่สองนี่ก็โอ้โหไปทําให้อย่างดีอีกนะบริบัติรับใช้ดูแลเอาใจใส่อย่างกับตัวเองเป็นค่าทาตเป็นบริวารเลยละ่ะแต่ปรากฏว่าสามีไม่รักอีก นะก็แค่เดือนเดียวเองไปอยู่ได้กันแค่เดือนเดียวเองแต่งงานไปเนี่ยปรากฏว่าโดนทิ้งอีกแล้วเมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้บิดาของดิฉันจึงเที่ยวแสวงหาผู้ที่มีความอดทน <c oughs> สองสองมีไปแล้วนี่นะสองสา ม, มีไปแล้วน่าจะหาคนใหม่ให้ก็เลยคิดว่าโอ้ต้องหาไอ้ที่มันหนังเหนียวหน่อยพูดง่ายๆ้วที่จะ คนอยู่ไว้ได้กับลูกสาวนี่ไปได้ตลอดเลอดฝังเอจรมันก็น่าแปลกนะในเมื่อนางอิสิธาสีเนี่ยดีออกมีศีลด้วยคนน่าจะชอบใช่ไหมหน้าที่จะเ อ, อรักใครชอบพอแล้วน่าที่จะอยู่ด้วยแล้วไม่ใช่ลูกคนจนด้วยนะอ้าวลูกคนรวยด้วยลูกเศรษฐีนะมันนึกๆแลมันน่าแปลกใจมแต่เรื่องแปลกอย่างเงี้ยมีจริงๆ นี่ะขึ้นอยู่กับวิบากกรรมที่ทำให้บางทีทั้งสวยทั้งรวยก็ ต, ตามแต่ผู้ชายอาจจะไม่รักไม่ชอบไม่อยากอยู่ด้วยเออเรื่องมันมีอย่างนี้จริงๆเพราะในที่สุดก็เลยปากฏว่าคราวนี้พ่อก็เลยเอาละหาหาสามีใหม่ให้อีกน้วจะต้องมีความอดทนฝึ ก, กจิตมานานแล้วหมายถึงว่าผู้ชายคนนี้ต้องฝึกฝนจิตใจมานานแล้วละ เพื่อจะได้อยู่กับพีฉันตลอดไปกระทั่งได้พบขอทานคนหนึ่งมีกายวาจาใจดังที่ปรารถนาไว้จึงเข้าไปเจรจากับเขาเอาปรากฏว่าพ่อของนางอิสิธาสีหาไปหามาหาไปหามาคราวนี้ไปเจอไอ้ที่แหมไอ้นี่คงฝึกจิตมาดีและมีความใจเย็นมีความอดทนดีแต่ปรากฏว่าเป็นขอทานโอ้ เพราะฉะนั้นแม่ไม่เกี่ยงแล้วคราวนี้จะรวยจะจนจะยังไงไม่เกี่ยงขอให้มีคุณสมบัติหนังเหนียวเป็นพอที่จะอยู่กับลูกสาวของตัวเองได้ตลอดรอดฝั่งเพราะฉะนั้นก็เลยพ่อก็เลยเข้าไปเลยเข้าไปคุยกับขอทานคนนี้เจ้าจงทิ้งผ้ากิลิ้วและหม้อชมรดนี้ไปเสียไม่ต้องขอทานอีกต่อไปจงมาเป็นลูกเขยของเราเถิดแล้วเจ้าจะมีชีวิตที่สุขสบายกว่านี้ กูง่ายง่ายเสนอข้อข้อแม้ให้เลยนะจริงๆมันไม่ต้องทิ้งอะไรหรอกแม่บอกทิ้งผ้ากีนเิ้วจริงหม้อไอ้ที่เอามาหากินเนี่ยนะมันไม่น่าพิสวาาอะไรอยู่แล้วใช่ไหมเสนอไปอย่างนี้คิดว่าขอทานยาวแม่บอกว่าเป็นลูกเขยเศรษฐีดีกว่าเนะี่ยขอทานที่ไหนมันก็เอากันแหละยกเบนขอทานมีศักดิ์ศรีเหลือเกิน ไม่ได้หรกเดี๋ยวสูญเสียความเป็นขอทานคงขายากนะขอทานแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่มีแล้วจะไม่เอาใช่ไหมโอชีวิตจะรวยขึ้นอ่ะจะมีเงินทองโอได้เมียสวยๆอีกด้วยเขาก็มีความยินดีพอใจจึงตอบตกลงได้มาอยู่กินร่วมกับดิฉันถึงครึ่งเดือนแล้วก็บอกลากับบิดาของดิฉันว่าโอ นี่หังเหนียวแล้วนะเนี่ยยังอยู่แค่ครึ่งเดียวครึ่งเดือนเองแย่กว่าไอ้สามีคนคนที่เท่าไหร่คนที่สองนั่นอีกนะนี่นี่คนที่สามสามีคนที่สามีอยู่ได้แค่ครึ่งเดือนเองโอ้เสร็จแล้วก็เลยไปบอกลาเศรษฐีเลยลูกเขยคนนี้บอกว่าท่านเศรษฐีโปรดคืนผ้าก่ลิ้วหม้อกับชามขอทานแก่ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าขอลากลับไปเป็นขอทานตามเดิมดีกว่า โอ้ยเป็นซะอย่างกาัน เ, เอ้มีนะเรื่องอย่างนี้ยังมีอีกด้วยแล้วก็มีจริงๆให้เห็นเลยว่ามันมันน่าแปลกไห ม, มล่ะเอพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าทั้งสวยทั้งรวยทั้งนิสัยดีอะ่ะทำไมผู้ชายอยู่ด้วยไม่ได้อาตมานี่แบบไปละมันึกถึงแต่ก่อนนั้นดูหนังอินเดียเรื่องรามเกียรติที่ ทศกัณ์จับนางสีดาไปเอาไว้ที่กรุงลงกาเสร็จแล้วก็เนี่ยอยากจะเข้าหาแล้วก็เข้าหาไม่ได้ในหนังนี่มันก็ทําเหมือนกับมีไฟมีอะไรอย่างนี้นะเออเรียกว่าทศกรณฐ์่เข้าไปใกล้เข้าไปแตะเนื้อต้องตัวอะไรไม่ได้เลยก็เหมือนกับอยู่ก็ไม่ได้อะนั่นแหละมันก็เป็นลักษณะนั้นนี่อาตมาเปรียบอันนี้มันเออมันน่าที่จะเข้าแก๊บหน่อยเพราะว่าอะไร เพราะจริงๆดีทุกอย่างนี่มีศีลด้วยผู้จาก็ภัยร้อฮะมีผู้หญิงมีบารมีสูงเพราะนั้นไอ้ไอ้คนแย่ๆคนพันพานคนไม่ดีเนี่ยมันจะมาอยู่กินด้วยมันจะมาเป็นสามีเป็นอะไรมันอยู่ได้ไม่นา น, นมันต้องแยกอันนี้มันเป็นสัจจะอย่างหนึง่งนะที่เรียกว่าดีกับเลวเนี่ยมันจะมาร่วม ทางเดียวกันไม่ได้หมายถึงว่าจะเอามาปนกันนี้ไม่ได้เหมือนกับพ่อท่านเคยสมมุติว่าเหมือนน้ํากับไฟเนี่ยน้ําธรรมดาเนี่ยนะน้ําเปล่าเนี่ยน้ํากับไฟเอามารวมกันไม่ได้ถ้ารวมกันเนี่ยมันจะต้องเหลืออยู่อย่างเดียวอย่างเช่นถ้าไฟนั้นแรงกว่าใช่ไหมไฟนี่มีปริมาณมากกว่าแรงกว่าร้อนกว่าถ้ามารวมกับน้ําอันนั้นปับ๊บน้นํามันน้อยกว่า น, น้ํามันจะเป็นยังไง น้ามันจะโดนไฟนี่เผาหรือว่าระเหยแห้งไปเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแต่ไฟเท่านั้นน้ำจะอยู่ไม่ได้แต่ถ้าเกิดน้ำมากกว่าใช่ไมมีจานวนมีความเย็นกว่ามีปริมาณที่เยอะกว่าถ้าเอามารวมกับไฟควนี้ไฟเกิดกองเล็กกว่ากองน้อยกว่าเนี่ยพอเอามารวมกันปับ๊บน้ำมันเยอะกว่านี่เพราะฉะนั้นน้ำมันก็จะดับไฟทิ้งไปก็จะเหลือแต่น้าเท่านั้น นี่คือลักษณะของของความดีกับความชั่วจะมารวมกันไม่ได้มันจะต้องมีการเรียกว่าอยู่ได้อย่างใดอย่างหนึง่งนะไม่มีอะแบบว่าเป็นกลางเป็นกลางก็คือเอาน้ากับไฟมาบวกกันแล้วก็กลายเป็นเ อ, เอาดีกับชั่วเนี่ยนะมาบวกกันแล้วก็จะเป็นดีๆชั่วชวคือคือกลางๆางอย่างนั้นมันไม่มีอันนี้นี่เป็นสัจจะเลยว่าดีก็คือดี ชั่วก็คือชั่วนะแต่ว่า อ, าอะไรอ่ะถ้าถ้าพูดถึงเรื่องการทำงานทำงานด้วยกันเนี่ยหมายถึงว่าอะไรอ่ะอยู่บ้านเดียวกันนะแต่ว่าต่างคนต่างทำอะไรเงนี้ได้แต่ถ้าจะไม่ให้ร่วมกันทำอย่างเดียวกันบนเตกันอย่างนี้ไม่ได้ไม่สามารถที่เป็นไปได้เหมือนกับบางทีเนี่ย สมมุติว่าคนมีศีลกับคนไม่มีศีลนะทำงานด้วยกันได้ไหมทำงานด้วยกันได้แต่ให้ทำงานอย่างเดียวกันได้ไหมไม่ได้อะเพราะคนดีย่อมต้องทำในสิ่งที่ดีไอ้คนเลวมันก็จะทำในสิ่งที่เลวแล้วมันจะมาทำรวมกันได้ยังไงมันทารวมกันไม่ได้เพราะว่ามันมันตรงกันข้ามเลยอ่ะมันเลยปนเปกันไม่ได้อันนี้บางทีหลายคนถ้าเข้าใจสภาวะนี้มากขึ้นนะ คนนั้นจะแยกแยะจิตใจตัวเองได้ดีขึ้นจะตัดสิน เ, เรื่องราวหรือตัดสินการกระทําของตัวเองหรือของคนอื่นได้ชัดเจนขึ้นว่าเอออย่างนี้นี่ควรทําหรือไม่ควรทําเห็นด้วยหรือไม่ควรเห็นด้วยมันจะชัดขึ้นแต่ถ้าใครแยกแยะไม่ออกแยกแยะไม่ได้ซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่ภูมิธรรมนะอยู่ที่ปัญญาของคนนั้นด้วย ถ้ามีปัญญามากมีพรวนธรรมสูงขึ้นจะแยกแยะได้ชัดเจนแล้วก็ได้เก่งขึ้นจนทาให้เนี่ยเรารู้ว่าอย่างนี้ไม่ควรทำเลย อ, อย่างนี้ทำนิดหน่อยพออย่างนี้ทำมากๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะชัดเจนในประเด็นพวกนี้ตอนนี้พอรางกฏว่าเศรษฐีพอฟังอขอทานลูกเขยคนนี้ บอกเอาละขอผ้ากิริว้วขอชามกะละมังอย่างเดิมกับเถอนะน่ไปเป็นขอทานดีกว่านะ่าอยู่กับนางอิสิธาสีไม่ได้แะอท น, นี้ทั้งบิดามารดาของดิฉันและหมู่ญาติทั้งหลายต่างก็สงสัยและไม่เข้าใจพากันถามไทยทั้งขอร้องเขาว่าท่านไม่สบายใจเรื่องอะไรหรืออึดอัดขัดเคืองทำสิ่งใดไม่ได้ในที่นี้จงรีบบอกมาเถิด พวกเราจะช่วยทำสิ่งนั้นให้แก่ท่านเองโอ้โหถึงขั้นแบบว่าไม่สบายใจเรื่องอะไรบอกจะทำให้ทุกอย่างเลยเรื่องอะไรขอให้บอกเถอะเพียงขอแค่ให้อยู่กับอยู่ไปลูกเขยต่อไปเท่านั้นแหลแต่นี้ขอทานคนนั้นยังคงยืนยันอย่างเดิมว่าแม้ข้าพเจ้าอยู่ที่นี้จะมีอิสระเป็นไทยทุกสิ่งแต่ข้าพเจ้าไม่ต้องการอยู่เรือนเดียวกัน กับนางอีสีธาศีเลยเอยังคงย้ำไว้เด็กขาดเลยนะเขาย้ำพูดอยู่แต่อย่างนี้จนทาให้บิดาของดิฉันไม่อาจดึงรั้งไว้ได้จําต้องปล่อยเขาไปสามีคนที่สามก็ได้ทอดทิ้งดิฉันให้เป็นหญิงไม้ร่างสามีอีกคนหนึ่งดิฉันสุดแสน จ, จะอับอายและน้อยเนื้อต่ำใจนะัก ยามอยู่ลำพังผู้เดียวอดคิดถึงชะตาชีวิตที่เลวร้ายของตนไม่ได้ด้วยความทุกข์ที่ยุมเร้ากัดกินกจิตใจนี้เองมีอยู่คืนหนึ่งจึงตัดสินใจเด็ดขาดที่จะหาทานพ้นทุกนี้ไปให้ได้เอาละนะพอถึงตรงนี้นี่ขอแทรกหน่อยหนึ่งตรงบางทีหลายคนจริงๆแล้วโชคดี นะที่สามีทิ้งมาเนี่ยที่จริงแล้วโชคดีแต่ถ้าคนนั้นเนี่ยไม่เข้าใจสัจจะไม่รู้ความเป็นจริงจะทุกข์จะเสียใจหรือว่าจะเหมือนนางอิสิธาสีตอนเนี้ยคือจะอับอายลุกโอ้โหเสียหน้าเหลือเกินแสดงว่าเรานี่แย่มากหรือยังไงแสดงว่าเรานี่เลวมากหรือยังไงเขาถึงได้ทิ้งเราไปอกหักอกพังเจ็บปวดทุกข์ทรมานนี่คือคนที่ ไม่รู้สัจจะไม่รู้ความเป็นจริงแยกแยะไม่ได้ชัดเจนว่าความเป็นจริงแล้วเพราะตัวเองดีต่งางหะเพราะตัวเองดีไม่ใช่เพราะตัวเองเลวอันเนี้ยนะจากเรื่องนี้ที่เขาทิ้งเนี่ยเขาอยู่กับเราไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเราดีเมไหเมื่อถ้าเราดีเนี่ยเพราะอะไรอะ่ะเขาจึงอยู่กับเราไม่ได้เพราะเขาเลวถ้าเราชัดเจนอันเนี้ยมันจะไม่มามัวทุกข์ไม่มามัวกุ้มไม่มมัวเสียใจเลย เออเราจะเริ่มมองตัวเองได้ชัดเจนขึ้นด้วยว่าเออแสดงว่าเรานี่มีบุญบา ร, รมีนะเรานี่มีคุณความดีที่ไม่เสื่อมเลยนะถ้าเสื่อมนะคุณเลวลงคุณเลวลงนะคุณก็อยู่กับเขาได้แต่พอคุณไม่เสื่อมเลยคุณไม่เลวลงไปคุณไม่ยอมเลวลงไปคุณยังคงรักษาความดีเอาไว้ได้อย่างดีเสร็จแล้วปรากฏว่ายัางไงนะสามีนี่ก็เขาไม่ยอมดีขึ้นด้วย เขาก็รักษาขอบเลืของเขาเอาไว้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยอยู่กับเราไม่ได้อนี่พูดแบบไม่ใช่หลงตัวเองนะหมายถึงว่าพิจารณาตามความเป็นจริงชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นคนนี้ไม่มาอกหกักไม่มาเสียใจจะรู้สึกดีใจและจะรู้สึกภูมิใจตัวเองด้วยว่าเออเพราะเราดีอย่างนี้นี่เองนะเขาถึงว่าอยู่กับเราไม่ได้เป็นโชคดี เป็นบุญบา ร, รมีที่เราสะสมมาถึงได้เป็นอย่างนี้จะไม่มาทุกข์ไม่มาเสียใจไม่มาอับอายไม่มาขายหน้าใดๆทั้งสิน้นเหมือนกับพวกเราบางทีเนี่ยมาเปลี่ยนทรงผมบัางรูปแบบเสื้อผ้าบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเป็นคนอื่นเข้ามาเจอโอ้โหทำไมเหี้ยนี้โซมมยังไงแล้วโอ้โหตุโซมแล้วโอ้โห แกไปก็่เดิมตั้งเยอะนะเนี่ยเอาจริงๆบางคนเนี่ยถ้าไม่ชัดใจไม่ชัดเจนเสร็จแล้วตัวเองก็อะไรไม่ไม่หนักแน่นนะโอเดินเออโดนทักอย่างเงี้ยสักครั้งสองครั้งสามครั้งชักชักเป๋ละชักขาชิงนะชักจะขาเป๋แล้วเออมันมันชักเอเออสงสัยแหมเดี๋ยวนี้ชักเหี่วลงชักแก่ลงชัก มันคงอะไรอ่ะไม่เก๋ไกเหมือนเดิมแล้วพอรู้สึกอย่างนี้ข่าวนี้เอาละมันมันชัดรู้สึกว่าเออสงสัยสงสัยเราต้องต้องปรุงแต่งเราต้องเสริมสวยต้องกินอาหารเสริมขึ้นเมื่อมันถึงจะแบบว่าเออดูสดใสดีขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยเนี่ยถ้าใครนี่นะไม่ชัดนะจะโดนเหนียวนำจะโดนน้อมนำใจไปได้ง่าย และในที่สุดเนี่ยจะตั้งอยู่ไม่ได้มันมันจะไปจริงๆมันจะไปทิศนั้นทางนั้นแต่ถ้าอันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ใจเราถ้าเราเองชัดเจนไม่ทุกเลยไม่ร้อนด้วยไม่เสีย อ, อกเสียใจด้วยบอกได้เลยว่าจะยิ่งภูมิใจตัวเองว่าโอ้โหนี่แสดงว่าที่เขาว่าเราบ้าเนี่ยหรือเขาว่าเราโซมนี่ชัดและชัดและแสดงว่าเราทําได้ผลเราทําได้มากผลและมันถึงได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้ ถึงได้โซมอย่างเงี้ยเออคือเขาเขามองเราว่าโสมเข้าใจไหมแต่จริงๆเราไม่ได้โสมหรอกแต่เขาคิดเอาเองเขาเข้าใจเ อ, าเองว่าโสมแต่ก่อนอาจจะ โ, โหกินมากกินไม่มีมือเงี้ยอ้วนชุเลย โ, โหหนังก็ตึงมาสิพออย่างนี้กินลดมือลงมาน่มันก็ผอมลงใช่ไหมคนก็มาเห็นบอกโหเหียเห่ยวแล้วเหี่ยวแล้วอย่างเนี้ยแต่เรารู้นี่เราชัดตัวเราเอง อืมอ่านะจะใช้คําว่าช้างพีมุนีผอมก็แล้วแต่แต่อันเนี้ยเราต้องชัดตัวเราเองพอเราชัดอันนี้ใช่ไหมยิ่งคนมาพูดอย่างนี้กับเราเราจะไม่รู้สึกมาเสียใจเหมือนนาอิสิธาสีนี่เลยเราจะยิ่งเห็นเลยว่าโอ้ชัดแล้วแสดงว่าเราทํางานได้ผลผลมันถึงได้ออกมาเป็นรูปเป็นล่างเป็นตัวเป็นตนให้ให้ชัดเจนละ เหมือนกับบางทีพวกเราใช้สำนวนว่านี่คุณเจออยังเขาว่าคุณบ้าอย่างถ้าเขาว่าคุณบ้าแล้วเนี่ยแสดงว่าคุณทำถึงแล้ววรจะสำเร็จผลแล้ ว, จ, วจะ จ, วจะบรรลุแล้วแต่ถ้ายังไม่เรียนนี่นะอย่างอย่างอย่างไม่ถึงแสดงว่ายังทำน้อยอยู่อจริงๆอาตมาค่อนข้างจะเชื่อนะว่าส่วนใหญ่ ถ้ายิ่งใครทําอยู่ที่บ้านนะไม่ใช่แบบว่ามาวัดเลยทีเดียวนะทําอยู่ที่บ้านนะเอาเริ่มเปลี่ยนจากส้งผมเปลี่ยนจากเสื้อผ้าเปลี่ยนอาหารการกินนะเอาแล้วเริ่มและรับรองเลยเพื่อนฝูงหรือพี่น้องคุณละเริ่มละเริ่มจะมีฉายาให้คุณละเริ่มที่จะบอกโน่นบอกนี่มาละเอ๊มจะเพี้ยนหรือเปล่าวะเนี่ยเริ่มจริงๆแล้วยิ่งถ้าเราทําไปนานเข้านานเข้านานเข้ า, นาน เ, า น, า น, เานี่ยจนกระทั่งนั่นแหละต้องอาศัยเวลาบางไง จนกระทั่งเขาเริ่มรู้แล้วว่าไอ้มันไม่บ้ามันจริงๆนะมันพูดกับรู้เรื่องเนี่ยเออแล้วมันก็อธิบายได้ด้วยนี่เออแล้วมันก็มีความสุขขึ้นจริงๆแล้วมันดีขึ้นกว่าเดิมตัางๆแล้วนั่นแหละเราจะต้องทำจนถึงจุดนั้นเลยจนเขาตะหลังเนี่ยเขากลับมาเป็นยอมรับแล้วคราวนี้แหละอานาจอันเนี้ยอานาจของความดีอันนี้มันถึงจะ ไปจูงจิตเป็นนำใจเขาให้เขาเนี่ยอยากจะมาปฏิบัติอย่างเราหรือมาเป็นอย่างเราบ้างแต่ถ้าทําไม่ถึงนี่เขาว่าบ้าจริงๆถ้าคุณทําไม่ถึงนะเขาจะว่าบ้าแล้วไม่เพียงแต่เขาไม่มาทําตามเราเท่านั้นนะถ้าเราไม่เข้มแข็งพอเรานี่แหละในที่สุดเราจะทนการวิภาควิจารณ์เราจะทนการโดนติโดนว่าไม่ได้ในที่สุดเรานั่ยแหละ จะใจอ่อนแล้วเราก็จะต้องไปกลับไปทำอย่างเขาเพื่อไม่ให้โดนเขาว่าเพื่อไม่ให้เขาหาว่าบ้านั่นแหละอย่าเป็นอย่างนั้นเพราะอันนี้ถึงบอกว่าเป็นการพิสูจน์พิสูจน์มรรคผลพิสู ด, ส ด, สดบุญบารมีของเราด้วยอ่าตอนนี้ปากฏว่านางอิอิธาสีนี่ก็เสียใจนะแล้วก็ทุกข์ใจมากๆเลยโอ้โดนผัวทิ้งยง่ายสามผัวละ ทนริงไปจากไอตอนแรกอยู่นานแค่ไหนไม่ได้บอกสามีที่หนึ่งอะ่ะไม่ได้บอกนะสามีที่สองในเดือนหนึ่งสามีที่สามีกครึ่งเดือนอาตอนนี้ก็เลยตัดสินใจแล้วว่ามันทุกข์มากๆวันนี้ยังไงเนี่ยวันนี้ยังไงต้องตัดทุกนี้ให้ได้เพราะทุกกว่า น, นี้อีกไม่ไหวแล้ะมันทรมานใจเหลือเกินนั้นก็เลยตัดสินใจว่า เราน่าจะตายตายไปเสียจากโลกนี้เลยหรือไม่ก็ขออนุญาตบิดามารดาออกจากเรือนไปบวชและออกจากกรรมทิ้งเพศคาราวาเสียเอาแล้วนะทางสองแ่งเกิดขึ้นแล้วคือคนเรานี่นะถ้ามันทุกทุกถึงที่สุดเพราะว่านี่แต่งมาสามผัวแล้วอะแล้วก็โดนทิ้งมาทั้งสามครั้งโอ้โหคุณแน่แค่ไหนแตมาว่าคุณแน่แค่ไหนคุณคงต้องทิดเหมือนกันนะ่ รให้คุณว่าคุณเนี่ยมีศีลคุณดียังไง ร, รับรองว่าแม้ทําเป็นเชยไม่รู้เรื่องโอ้โหอาตมาวันเก่งเกินไประมึกอันะนะนั้นนะเกินฐานแล้วถ้าลองโดนขนาดนี้จริ ง, รงๆคิดแน่ๆนี่ไม่ต้องไปถึงผัวทิ้งหรอกบางคนนะแค่โดนเพื่อนทิ้งเท่านั้นแหละบางทีแค่โดนเพื่อนทิ้งสักครั้งสองครั้งนี่ชัก <c oughs> ชักไม่ชอบใจแล้วเออชัก อัดขัดเคืองแล้วนีนส่สายโทรศัพท์สายโทรศัพท์จะเป็นอิดอัดขัดเคืองไม่ชอบใจเผลอๆเดี <pe> er ๋ยวเดียวเดี๋ยต้องต่อว่าต่อขานหรือว่าจะยังไงกันแต่ถ้าเป็นสายกา ร, รมดถ้าโดนทิ้งอย่างนี้นะไม่ไปทําร้ายไม่ไปด่าใครเขาสายกามรี่จะแบบน้อยเนื้อ จ, จําใจจะเสียอกเสียใจโอ้ oh, ทําไมทิ้งเราได้ยังไงแม้เราไม่มีคุณค่าอะไรหรือไงเราอุตส่าห์ทําดีดังขนาดนี้นะ มาทิ้งกั น, นง่ายๆดูสิโอ้แต่ก่อเ น, นี่ยเราทั่วทุกอย่างเลยมีอาหารามาีแคกก่กล้วยหอมก็อุตส่าห์ไปให้ <c oughs> <c oughs> มอีอะไรนะดูซิเนี่ยทำมาแล้วอุตส่าห์ตักเก็บไว้ให้เลยนันเนี่ยโอ้ถึงเวลาก็เอาไปให้กินดูสิแล้วมาทิ้งเราได้น่ะเสียใจน้อยอกน้อยใจนั่นแหละแล้วมันก็จะทุกข์อย่างเงี้ย จนในที่สุดเอาละตัดสินใจแล้วทางสองแพงอย่างหนึ่งก็คืออยากจะตายคนเราถ้าไม่ทุกข์ถึงที่สุดนะไอ้เรื่องอยากจะตายจะไม่ไม่เกิดในความคิดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันต้องทุกข์ถึงจุดมันจริงๆจนกระทั่งรู้สึกว่ามันมันให้เลยไปก่อนนี้อีกไม่ได้แล้ะมันเต็มทนแล้วมันสุดกลั้นละเพราะนั้นมันจะคิดอยู่แค่สองทางแค่นั้นแหละ จริงๆเนี่ยทั้งสองทางนี้ก็ตายทั้งคู่อะคืออย่างหนึ่งนี่คือตายจากโรคนี้ตายร่างกายนีย่ตายจากโรคนี้แต่ส่วนออกบวชนันก็คือตายจากเพศเพศคารวะจริงๆเราก็ถือว่าเป็นโลกโลกใหม่นางการไปบวชเนี่ยก็เข้าถือว่าเป็นเป็นโลกใหม่หรือว่าเป็นปลโลกเป็นโลกหน้าหรือถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านใช้ เรียกว่าเป็นการเกิดใหม่ก า, การที่คนเราไปบวชเนี่ยถือว่าเป็นการตายจากโลกเก่าและไปเกิดอยู่ในโลกใหม่ละหรือเรียกว่าพวกการเกิดครั้งที่สองเกิดปกติตัวตนร่างกายนี่ถือว่าเกิดครั้งที่1ถ้าใครเกิดทางจิตวิ ญ, ญญาณโดยการออกบวชถือว่าเป็นการเกิดใหม่ครั้งที่สองนะครับสำนวนบางทีท่านก็ใช้เปรียบกับทวิชาติทวิชาตเนี่ยแปลว่าการเกิดครั้งที่สอง อย่างเงี้ยอย่างที่เราเพิ่งผ่านมาเมื่อวันจันทร์เนี้ยที่ที่ปฐมสุโขนะที่บวชสมณะขึ้นมานั่นแหละเราถือว่าเป็นการเกิดใหม่ครั้งที่สองาวิชานี้ก็พวกนกนกเองพวกที่สัตว์ที่เกิดจากไข่แล้วมันจะเกิดไข่ออกมาก่อนครั้งแรกถือว่านะั่นครั้งแรกและการเกิดขึ้นมาครั้งแรกจนกระทั่งมันโตขึ้นมาแล้วมัน กระเทาะเปลือกออกมาได้ถึงจะถือว่าเป็นการเกิดครั้งที่2จริงๆแล้วผู้เจ้าท่านเปรียบเอาไว้ในโอความหมายลึกซึ้งนะกระเทาะเปลือกไข่ออกมาได้ไหมายความว่าอ อ, ออกจากไอกิเลตออกจากอะไรที่มันล้อมรอบตัวเรามันขังเราไว้อยู่ในเปลือกไข่อะในเปลือกนั่นแหละโอเราเติดอยู่ในเปลือกนั้นจนกระทั่งเรามีกําลังเรามีความสามารถกร็กระเทาะเปลือกออกมาได้ นะเจาะ ก, กระเปาะไข่ผู้จาา เ, เ, ผจเจ้าท่านเปรียบท่านเป็นพระผู้เจ้าเนี่ยท่านเปรียบว่าท่านเหมือนกับลูกไก่ตัวเอหมายถึงว่าตัวแรกนะที่สามารถเจาะกระเปาะไข่เนี่ยออกมาได้เป็นตัวที่หนึ่งเป็นตัวแรกคือตัดสรู้ น, นั่นเองอ่านั่นแหะท่านท่านเปรียบตัวท่านเองเป็นเหมือนกับลูกไก่ที่เจาะออกมาได้ก่อนไข่หมายถึงว่าสามารถจะตัดสรู้ อ, อ, อริยสัจนะความเป็นจริงอริยสัจสี่เนี่ย นะก่อนใครๆในโลกนี้หมายถึงในในในกลับนี้นะท่านเป็นคนแรกส่วนนอกนั้นนะที่สอนแล้วคนอื่นรู้นี่ก็คือลูกไก่ตัวอื่นๆที่ค่อยๆเกิดตามมาทีหลังมันเป็นการเปรียบพี่ที่ที่ลึกซึ้งมากนะถ้าเราเองเราพิจารณาเราเข้าใจเราก็จะเออรู้ธรรมะมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นแล้วเราก็มาเปรียบกับตัวเราว่าตอนนี้เปลือกไข่นี่มันหนากี่ชั้น เอามันมีนะเปลือกอะไรอนะ่ะไข่บางชนิดมันก็บางๆใช่ไหมไข่บางชนิดโอ้โหเปลือกหนาหน้าดูเลยถ้าหนาเนี่ยก็คือไข่แบบเปลือกแบบปูถุไข่แบบปูถุเนะนะี่ยมันหนาเปลือกมันหนาเอไข่อะไรบ้างอนะ่ะที่เปลือกบางๆไข่ไก่นี่ก็เปลือกบางๆนะไข่เป็ด น, นี่รู้สึกเปลือกจะหนาขึ้นมากกว่าไข่ไก่หน่อย ยิ่งไข่ห่านนี่โอ้โหเปลือกหนาขึ้นมาอีกไข่ห่านเนี่ยไข่ ย, ยิ่งจบไข่ ย, ยิ่งจบ ก, ก็บ้างไม่นาหรอกเออไข่อะไรที่หนากว่าไข่ห่านมีไหมไอ้จากเข้มาไม่เคยเจอเลยไม่รู้อ๋นอนือกระจอกเทศแหมพูดอย่างเคยเห็นไข่นื ก, กระจอกเทศเนี่ไข่เตามันนิ่มๆมั้มมยใช่เหรอไม่แข็ง ฮะเอ่อมันไม่ได้มันไม่ได้แข็งแบบไอ้ไอ้ไข่เป็ดไข่ไก่พวกนี้นะหน้าไข่ไข่ห่านนะเท่าที่อาารย์เคยเห็นน่ยมันหนาหนากว่าอย่างอื่นอ้าวอันนี้ก็เปรียบเทียบไปฟังว่ากิเลสไข่หนากว่าไข่ท่านเพราะฉะนั้นกิเลสหนาก็เจาะยากอ๋อเอกกับพีทีอันนี้หมายถึงฐานพระโสดามัน ที่เกิดอีกเพียงชาติเดียวเท่านั้นถึงใช้คาว่าเอกับพีทีนะคือคือหมายถึงว่าเกิดอีกชาติเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะตัดสั้รู้ได้หมายถึงสมมติว่าชาติเนี้ยนะสมมติว่าชาติเนี้ยนะชาติเดียวเท่านั้นก็ได้ชาติเนี้ยชาติเดียวโอ้ไม่ใช่ คือคือหมายถึงว่าสามารถที่จะตรัสรู้ได้จริงๆแล้วเนี่ยฐานของพระโสดาบันเที่ยงต่อการตรัสรู้อยู่แล้วใช่ไหมมันมีตั้งสตะขขตุบ ร, รมัสโสดานอันนี้คือประมาณสัก7 7ชาติหรือว่าเจครั้งถึงจะตรัสรู้ตรัสรู้ได้แล้วก็มันมีโกรังโกละนะฮะแค่สองสาชาติ จนมาถึงเอกกับพีคีคือชาติเดียวนะคำว่าชาติเดียวเนี่ยอาตมาเองนะนี่เอาความเข้าใจมาเองหมายถึงว่าชาตินี้แหละชาติเดียวชาตินี้แหละชาติของจิตนี่แหละชาติเดียวหมายถึงว่าอันนั้นเน่ยเราจะคิดอย่างนั้นด้วยก็ได้แต่จริงๆแล้วพ่อท่านบอกว่าชาติหนึ่งของจิตชาติหนึ่งของจิตของที่เราจะรู้ได้ นะมันเป็นรอบของจิตที่เราจะรู้ได้คือถ้ามันมันมันครบรอบของจิตที่เราจะรู้ได้แม่แมอยู่ในชาตินี้คือคราวไหนที่เราสามารถที่จะรู้เราเกิดแสงสว่างเราเกิดความปัญญาเกิดความเข้าใจขึ้นมาครั้งเดียวเท่านั้นเนี่ยนั่นเนี่ยจะทำให้เราโออ๋ออ๋ออ๋ อ, อเข้าใจเลยแล้วก็ นั่นนนั่นคือการตัดสัู้้อะคือรู้แจ้งนั่นเองตัดสัู้นี่คือรู้แจ้งตัดสัู้ยังไม่ได้หมายถึงว่านู่นต้องเป็นพระอาหารเป็นพระพุทธเจ้านะอย่างนะไม่ไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นอันนี้หมายถึงว่ารู้แจ้งรู้ชัดแหละอย่างน้อยน้อยก็ฐานของพระโสดาบันเนี่ยชัดเจนตัดสัู้อย่างน้อยน้อยก็ในฐานของพระโสดาบันตัดสัู้เลยรู้แจ้งชัดเลย แต่ทันทีมันก็ต้องขึ้นไปเรื่อยๆเไปเป็นสกิทาไปเป็นอนาคาไปเป็นพระอาหารหันต์เพียงแต่ทันทีถ้าคนนั้นเก่งคนนั้นอาจจะมีปัญญามีบาร ม, มีเก่าเนี่ยสะสมไม่มากใช่ไหมอาจจะได้เร็วก็ได้อาจจะสะสมแล้วก็ได้เร็ว